9. ชัดตูปาหานวักหมวดว่าด้วยร่มและรองเทา้าสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยภิกษุณีผู้ไม่เป็นไข้กั้นร่มและสวมรองเทา้าเรื่องภิกษุณีชัพพักี 1.178. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นาพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นพวกภิกษุณีชาบักีกันร่มและสวมรองเทา้าคนทั้งหลายตำหนิประนามโผนทนาว่าฉะนพวกภิกษุณีจึงกันร่มและสวมรองเทา้าเหมือนหญิงครืหัสผู้บริโภคกามเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประนามโผลนทนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโผนทนาว่า